บรรดาเพื่อนิสุสมัมเนธทั้งหลายที่ญาตโจมพุทธบริษัทเวลานี้ที่พูดนี้ก็ยังเป็นวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคม25าย2 7สิบที่บอกไว้เพราะว่าจะได้ทราบว่าพูดตแต่สมัยไหนแล้วต่อไปเสียงนี้ก็จะเป็นเสียงโบราณผมอาจจะตายเมื่อไราก็ได้ ถ้าตายไปเมื่อไรเสียงยังอยู่เราจะได้ทราบว่าพูดไว้ตั้งแต่เมื่อไรดีไม่ดีย่าโยสมัยหลังถ้าเราไปเปิดให้ฟังจะหาไปเสียงปลอมถ้าบอกไว้คงไม่มีใครปลอมวันนี้เราก็มาพูดกถึง อ, น, อนนาคตังสยาอนอนาคตังสยานนี้ก็ไม่ใช่อะไรเป็นที่ปิดขุยานนั่นเอง ก็ลงความว่าเราปฏิบัติในทีิพจคุยานอย่างเดียวเป็นผลมาจากมโนยิธิเราก็รู้อนาคตได้อนาคตาต่างสยาย ค, ค, คือรู้เหตุการณ์ข้างหน้ารู้เรื่องของเราถ้ารู้เรื่องของคนอื่นรู้เรื่องของสัตว์อื่นรู้เรื่องรถประถานที่ถ้าอยากจะทราบว่าถ้าเป็นคนไทยนะ ไถ้อยากจะทราบว่าประเทศไทยข้างหน้าจะเป็นยังไงจะหมดสภาพความเป็นไทยไหมถ้าสงครามเกิดขึ้นเวลานี้สงครามก็ล้อมรอบประเทศไทย <c oughs> อ่านหนังสือพิมพ์พบรากวัณฑยนยกทัพเข้ามาไปชิดไลเ่เขมนรติเขตไทยแล้วข้างด้านลาวก็เคลื่อนเข้ามาใกล้คือกลางแม่น้าโขง ทางด้านภาคหน้านเขาก็คิดเข้ามาทางด้านตะวันออกทางด้านตะวันตกก็ไว้ใจไม่ได้ <c oughs> ทางด้านทิศใต้ทางด้านใต้ทางด้านตะวันตกตะนออกของใต้ก็ไว้ใจไม่ได้รลกความในทะเลหลวงเราก็ไว้ใจไม่ได้อยากจะรู้ว่าในสถานที่รอบประเทศมีอะไรบ้างเราก็ใช้กําลังของมโนยุธิที่เราฝึก โดยเฉพาะอย่างยิ่ยงที่กุยญญานดูก็ได้ถ้าดูอนาคตสิญาณว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นยังไงจะวุ่นวายขนาดไหนใครจะเป็นอะไรบ้างอันนี้เราต้องการทราบได้ได้ใช้กำลังเขะามโนยุทธิไปดูสถานที่ตั้งทิบกุยญญานเราก็ทราบ เห็นสถ า, านที่ตั้งได้แต่มันไม่ชัดนักไม่แน่ใจไปไม่ถึงที่ใช้กำลังของโนยุทธิไปในที่ตั้งตั้งของเขาเลยเขาตั้งกองทหารอยู่ที่ไหนมีอาวุธอะไรบ้างอารพนี้มีกำลังเท่าไหร่วันนี้เห็นแล้วจะตกใจว่าโอ้อาวุธเขามากมายเหลือเกิน <c oughs> ของประเทศไทยเรามีไม่เท่าเขา กำลังผลไม่สำคัญความสามารถสำคัญความฉลาดสำคัญความสามารถี่สำคัญที่เราจะส่งความเป็นไทยไว้ได้หรือไม่ได้เราทราบเราทราบทราบถึงการบั ะ, ะระหว่างทหารไทยกับทหารข้าศึกว่ามีสภาพเป็นยังไงในวันหน้าเราก็าทราบเอสร้างความสมบายใจให้ปรากฏ ในเรื่องการทราบข้างหน้าเนี่ยครับการพูดอย่างนี้ไม่สอนธรรมะกันอย่างเดียวค่ะมันเป็นเรื่องประวัติของผมด้วยแต่อย่าลืมนะครับอย่าลืมว่าการทราบคข้างหน้าเนี่ยผมกลายเป็นคนบ้ามาหลายปีตั้งแต่ปีพศ .2518 ผมก็พูดเรื่องน้ามันในประเทศไทย ว่าในประเทศไทยมีน้ำมันมหาศาลมีทั้งแก๊สแลน้ำมันเวลานั่นกลิ่งข้าวน้ำมันยังไม่ปรากฏแต่สิ่งที่ปรากฏตามเสียงผมพูดก็คือมีเสียงย้อนเข้ามาสียงหูว่าผมบ้าผมก็เลยนั่งนิง่งๆใครจะว่าดีใครจะว่าชั่วไปเรื่องของท่านผู้นั้น จะมีความเห็นเราไปทำลายความเห็นกันไม่ได้เรามีสิทธิ์จะพูดตามความที่เรารู้เราก็พูดไทยจะมีสิทธิแต่ตําหนิจะด่าจะว่าเป็นเรื่องของท่าน <c oughs> ถ้ า, าการอย่างนั้นปรากฏขึ้นอย่าลืมนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านัตถิโลเก อ, อนินติโต คนที่ไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกวัตถุต่างๆที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเช่นหินเ ช, นช่นปูนเป็นต้นก็ยังถูกนินทาแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ถูกเขานินทาถูกเขาด่าต่อหน้าฉะนั้นทุกคนถือว่าไปให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปสะดุง้งอย่าไปสะเทือนเราเกิดมาเพื่อชอบบ้านเขานินทา เราเกิดมาเพื่อจะบ้านเขาตีเตียนเราเกิดมาเพื่อจะบ้านเขาดา่าเราก็ทำตามเรื่องเราอยากจะทำอะไรตามความรู้ของเราเราก็ทาท่านอยากจะด่าเราตามความรู้สิกของท่านท่านก็ด่าให้ไปเรื่องของท่านไปตอนนี้ไปเราก็มาคุยกันทังเรื่องอนณาคตังสยามอาาคตังสญามนี่มีประโยชน์มาก ไม่รู้วิธีชีวิตขอเราเองว่าข้างหน้าเราจะเป็นยังไงเวลาที่เรายังไม่ตายเนี่ยปีไหนจะมีสภาพเป็นยังไงจะป่วยไข้ไม่สมบายเป็นยังไงจะมีความดีจะมีคนชมจะมีคนติเป็นยังไงชีวิตเราจะรุ่งเรืองจะจะจะซบจะซบสศร้าเป็นยังไง <c oughs> เราต้องการรู้ รู้แล้วก็บันทึกไว้อย่าพูดไปไม่รู้ไว้คนเดียวการเวลามันยังไม่ถึงทางที่ดีรู้ยาวๆแล้วก็รู้สันส้นๆคำว่ารู้ยาวๆหมายความรู้ข้างหน้าไกลออกไปหลายๆปีถึงตลอดชีวิตแล้วก็รู้สันส้นๆไว้ไเปเพร่วัดระยะรู้สันส้นๆวันสองวันห้าวั น, ห, วนหกวันเก้าวันสิบวันเนี่ยสำคัญมาก เป็นเครื่องวัดระยะยาววา่าระยะยาวที่เราเข้าใจมีความรู้สึกมันจะถูกจะต้องไหมถ้าระยะสั้นถูกระยะยาวมันก็ถูกถ้าระยะสั้นไม่ถูกระยะยาวก็ไม่ถูกเนี่ยมีความรู้สึกตามนี้เนี่ก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็รู้เรื่องว่าไปถ้าระยะสัน้นระยะยาวมันถูกหมด แล้วก็ดูอนาคตไกลแสงไกลนั่นคือตายไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เราตายไปแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหน <c oughs> ก็วัดกำลังใจของเราไว้ด้วย <c oughs> ตายไปแล้วจะไปอยู่สวรรค์หรืออยู่อมโลกหรือไป น, นิพพานหรือว่าสถานสามสถานไม่เป็นที่พอใจเราอาจจะเป็นมนุษย์ หรือว่าจะถอยหลังไปเป็นสติฉันเป็นเปรตเป็นสุรกายไปนสนนรกดูกฎของกรรมที่เราทำว่ามันจะให้ผลไปไหนอันนี้เราก็ทราบ <c oughs> เมื่อเราทราบเรื่องของเราได้เราก็ทราบเรื่องของคนอื่นได้ว่าคนที่เราสัมผัสที่เราคบหาส ม, มาคมเขาจะดีหรือเขาจะเลว เวลานี้เขาดีเวลาหน้าเขาเป็นยังไงให้ผมเนะี่ก็เป็นคนจังไรเรารุ้นแล้วความจริงเราเฉยๆว่าดีกว่าความเมตตาเป็นไปใจใเกิดความเร่าร้อนไมกันถ้าเมตตาไม่ถูกทางเนี่ยผมก็เคยผ่านมาแล้วให้ความเมตตาปราณีแต่ความดีไม่ปรากฏ สิ่งที่ทอนย้อนหลังเข้ามาคือเพื่อนลืมไม่ตรงการเพราะดีแล้วเขลืมเลยอันนี้เยอะแต่ต่อไปความเร่าร้อนความทุกข์ความไม่สบายกายสบายไม่สบายใจเกิดขึ้นความความปราปรถนาไม่สมหวังเกิดขึ้นเขาย้อนถอยหลังกลับเข้ามาใหม่ทีนี้ทำยังไงผมก็ยอมผมก็รับ ในฐานะที่ผมคิดว่าผมเป็นมิตรดีของคนทุกคนและสัตว์ทุกประเภทในโลกผมถือว่าผมจะเป็นมิตรดีตามกำลังใจที่ผมจะอดทนได้แต่ว่าเรื่องการสง่งครอแบบนั้นก็เลยกันถือเวียขาถ้ามาถามก็จะบอกว่าไม่มีอะไรแล้วเวลานี้ทุกสิ่งทุกอย่างวางหมด ผมก็วางจริงๆครับไมวางหมดมากว่าผมไม่ยุ่งกับเรื่องของใครใครเขาจะดีใครจะเลวเป็นยังไงเรื่องพยากรให้ไม่มีอีกทางนี้เพราอะไรเพราผมเข็ดตอนนี้อติษฐานนายข้าตันทยายก็รู้ของคนอื่นคนอื่นบรรดาญาโยมพัตบริษัท ที่มีกำลังศรัทธาในพระสงฆ์ในพุทธศาสนาพระสงฆ์ท่านคนดีหลายประเภทบางท่านก็องคง์อาจมาตายิ้มแย้มแจ่มใสบางท่านก็มีดั่งซุ้มอะไรของท่านแต่ละคนจริยาไม่เหมือนกันบางท่านก็มีความเอตตาปราณีโอภาปราศัยดีองค์งท่านคงเงียบเราก็ใช้อนาคตังสยาน ว่าพระองค์นี้ถ้าตายจากความเริงคนจะเป็นเทวดาหรือจะเป็นพรหมหรือจะเป็นจะไปนิพพานหรือว่าท่านไม่อยากจะไปจะถอยหลังกลับไปโลกาตุลโลกเวจีมารกภูมกขุมหน่อยไปเป็นสวกกายก็ได้ใช้าอนานาคต่างสียานดูถ้าดูแล้วเห็นแล้ว อีกความเข้าใจแล้วบันทึกไว้วันหลังทําใจสบายลืมเรื่องเก่าซะก่อนเริ่มลืมเรื่อ ง, องที่บันทึกไว้ก่อนรวบรวมกําลังใจไปนิพพานถ้าจิตไปถึงตรงนั้นมันเป็นอุเบกขาจริงๆไม่ยุ่งกับอะไรทั้งหมดจิตสะอาดมากหลังจากนั้นก็ทิ้งเรื่องเก่าก็ทูลถามโองสมเด็จพระพูมีพระภาค ว่าคนนั้นต่อไปขาาป้างหน้าจะไปยังไงชีวิตในความเป็นมนุษย์ชีวิตเมื่อตายแล้วถึงเท้านี้เขายังไม่เป็นพระอรหันต์ในเวลานั้นแต่พระกวาสมเด็จพระกวน ก, ก็สามารถจะบอกได้จะบอกได้แน่ก็มีคนหลายคนที่ท่าทางอิลิกเคขาเคขาท่าทางมองกันแล้วไม่ค่อยจะดีนะัก แต่ว่าความรู้สึกว่าเวลาข้างหน้าคนนี้จะดีเก็บความรู้สึกไว้บางทีเรคิดว่าเราจะมีความเมตตาเกินไปแต่ว่าในาที่สุดเขาก็ดีตามนั้นนี่ระบรรดาญาติโยมพุทธิษั ท, ทุกท่านถ้าใช้อนาคตังทยานทำบุญจะไม่ผิดบุญจะไม่ต้องถูกก็หลอกลวง ว่าเคยพบมามากระยะเกิดไกลเห็นญาตโหมุธบริษัทหลายเอยาเงินไปท่ากระถิ่นมะพป่าบางอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ทั่วไปนะอาจะมาพบในสถานที่ใกล้จริงๆก็อาจะมาพอกรถินเข้ามามะพร้าเข้ามาก็เล่าเต็มสลาเลี้ยงเล่าเองใบวัยได้รับกรถิ่นมะป่าที่ห้าหมื่นหกหมื่นทั้งแสนก็มี แต่ปีรับหลายครั้งผ้าป่าคิดแล้วปีลปะปลปเป็นแสนแต่ว่าไม่มีอะไรปลายกดเข้ามาเลยเงินหมดนี่สิศอย่างนี้จอว่าเป็นการทำบุญผิดถ้าเราใช้อนาคตังส ย, ยานและเจโตไยยรยานก็ได้เจโตริยานดูกำลังใจเขาขคลคู้รับผลทานจากเรา ที่เราไปทำบุญแล้วถวายเป็นฐานเท่ากับพระป่ า, ปาแล้วว่าอ น, นาอาาขาต่งสิยานใช่ที่ต่ายานอ น, นาขาต่างสิยานดูขนาว่าคนนี้เงินจำนวนนี้ถ้าเราไปถาไ ว, วายไหวเงินจะไปไหนบ้างมันก็จะทราบชัดแต่รู้ว่ามันไปผิดทางเราก็ไม่ให้เลยก็หมดเรื่องไม่ทำแล้วก่อนจะไปจองก่อนจะไปมุกๆุกะถานที่ที่ทำบุญ เราก็ดูซะก่อนว่าควรทำหรือไม่ควรทำอันนี้จะมีประโยช น, น์กัมดาท่านพุทธศาสนจะไม่มีการสูญเสียอะไรทั้งหมดแต่อย่าลืมนะรักษากำลังใจตามที่กล่าวมา้าพระพุทธโรคก็ดีภาพพระโรคประชององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีพยายามส่งเวลาให้มันส่งตัวจับให้ชัดเนจนจำใส่ไว้ จะเวฝึกกำลังใจให้เฉ้นชัดทุกวันทุกเวลาที่เราต้องการยามว่างเกิดขึ้นอะไรใช้กำลังใจจับรประโชมทันทีหรือจับภาพพระพุทธรูปแก้วใสาที่เราใช้เป็นนิมิตให้ติดตาได้จิตใจไว้ตลอดเวลาบอกไม่มีเวลาจะทําันโถไม่ต้องไม่ต้องออกแรงไม่ต้องใช้เวลามากนึกมาอะไรเห็นปับ๊บ นึกมาเลยเห็นภยามปกติของผมสมัยที่พผมฝึกผมเห็นของผมได้ตลอดคืนตลอดวันเว้นไม่แต่หลับถ้าเราเห็นภาพพระในอกเห็นภาพพระคลุมตัวผมผมจะชื่นใจจิตมีความสุขในการภาวนาการภาวนานี้ผมก็แปลกกว่าคนอื่นเขาอาจจะมีคนดีกว่าผมก็มาก นั่นคือเวลาเดินปิิบัติผมแทนที่ว่าพุทโธสมาหลังเป็นต้นผมล่ออิทิพิโสทั้งจบเพราะทั้งบทเนี่ยเราไม่ลืมต้องพยายามนึกในใจเบาๆช้าๆขึลื่อนไปจนกว่าจะจบจนกว่าจะเดินไปิฏิบัติจนกว่าจะเดินกลับจนกว่าจะเลิกเข้ามากลับถึงที่นั่นผมจะเลิกเลิกภาวนาอิทิพิโส ทำอย่างนี้จิตใจชุ่มชื่นมีลมทรงตัวเมื่อใช้บทเจียวยายภาวนาทุระที่จะคุยมันก็คุยไม่ได้ถ้าคุยแล้วภาวนาจะขาดแล้วก็เลยไม่อยากจะคุยแในเมื่อไม่คุยจิตคุมอารมณ์ผนต่างๆเมื่อเกิดตามมาทั้งหมดญาณต่างๆก็เกิดปรากฏขึ้นและการจะใชอารมณ์เข้าคุยกับเทวดาหรือผมหรือใครก็ตาม ใจใช้เวลาได้แบบตามสบายๆเพราะการนึกถึงอิจิปิโสกว่าจะไปเพิ่อ บ, บายกลับมันไม่ใช่เวลาเล็กน้อยนั่นหมายความหัดทรงสมาธิตั้งทั้งที่มีงานอันนี้มีความสำคัญมากนักเจริญสมาธิเฉพาะเวลาสงัดใช้ไม่ได้ต่อไปปัจจุบันนปัจจุบันนาองสยาน <c oughs> ปัจจุบันนงสยานนี่มีประโยชน์ ว่าปัจจุบันนี้ใครอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่มีชีวิตอยู่หรือว่าตายไปแล้วมีความสุขหรือมีความทุกข์คนงานที่เราสั่งงานไว้ที่โน่นที่นี่เขาทำดีตามที่เราสั่งไหมหรือ ว, ว่ามีการบิดเบี้ยวบริการใดอันนี้มีความจำเป็นบรรดาแทนพุทธบริษัทจำเป็นจะต้องรู้แล้วก็จำเป็นจะต้องทำ เพื่อเป็นความสุขของเรานี้ตัมมาญถากรรมตายานญถากรรมตายานในปัญญาเป็นเครื่องบอกเป็นเครื่องบอ ก, บอกความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีความเสียหายก็ดีความได้กำไรก็ดีที่ปรากฏขึ้นมาเวลานี้เป็นผลจากความดีมาจากไหนในก็หมายความถ้าเรารวย เรารวยขึ้นมามีลาบสการะมากลาบเกิดจากผลอะไรผลความดีในชาติปัจจุบันเนี่ยผลความดีในชาติอดีตชาติในอดีตชาติไหนเราทําอะไรไว้ภาพนั้นจะปรากฏถ้าผลงานไม่ขาดทุนแล้วก็สราบอีกเหมืันว่าขาดทุนเพรากรรมอะไรเราทําพลาดเพราะใช้ปัญญาน้อยไปใช้ความละเอียดละออน้อยไป แต่ว่ากรรมอะไรที่เราเคยรบกวนเขาไว้เข้ามาสั่งสมมาทำลายเรามามาสนองความจริงยะถาะยะถาะกามตายานมีประโยชน์แล้วกลับขมาอีทีก็คือการป่วยไข้ไม่สบายการป่วยไข้ไม่สบายนี่จะถาะกามตายานก็บอกเหมือนกัน เราจะทราบอาการป่วยไข้เป็นบายนี้เราไม่ชอบเปราเสียหายเงินทองสเสียเวลาเสียทรัพย์สินเสียความสุขเราไม่ชอบแต่เราก็ต้องดูอย่าไปนั่งบนอย่าไปนั่งว่าทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่ากรรมเก่าๆหรือกรรมใหม่ที่เราทําไว้อย่างในสมัยเด็กๆ ก, ก็ไม่เด็กเอาข้แล้วนะ่ะ ก่อนที่ผมจะมีบรรษายี่สิบพรรษาสี่ปีขณะคำโดยลานั้นผมกําลังอาบน้ําอยู่ที่หน้าวัดผมทํางานทั้งวันงานตั้งแต่เช้าผมเวลาหนุ่มๆผมทาํางานยันกลางคืนญาติโยมมาก็รับแขกญาติโยมไปก็ทํางานทํางานกลางวันไม่เสร็จผมก็ทกํากลางคืน แตน้นว่าวันนั้นมันร้อนจัดเพราะทำงานแล้วก็ตอนเย็นก่อนจะทำวัดเย็นผมก็ไปอาบน้ำที่หน้าวัดลงไปแช่น้ำได้ประมาณห้านาทีร่างกายมันเย็นจิตใจเขาชุ่มชืน่นเกิดความรู้สึกขึ้นว่านับตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปจะต้องป่วยแล้วก็นอนโรงพยาบาลสองปี อาการนอนโรงพยาบาลเนี่ยไม่ใช่เพียบแปรไม่ใช่เพียบแต่ถ้าไม่เข้ามันเพียบเข้าไปแล้วมันก็สบายออกมาเมื่อไหร่มันจะอาการไข้จะเพียบแปรอีกอาการจะไม่ซ้ํากันแต่เข้าไปมันก็สบายจําเป็นต้องอยู่โรงพยาบาลจริงๆสองปีใน ต, ตอนต้นอาจจะเข้าอาจจะออกบ้าง แล้วก็ต้องไปพักฟื้นอีกหนึ่งปีใกล้ๆโรงพยาบาลเช่ยหมอจยติดตามรักษาให้ความรู้สึกเกิดขึ้นในขณะที่มีความเย็นก็เชื่อกำลังใจว่าความจริงอย่างนี้ต้องปรากฏแต่ว่าคนอย่างผมอันนี้ผมก็ไม่ได้โอดผมไม่เคยไว้วางใจผมผมเลย ความรู้สึกขอผมไม่ไว้วางใจผมปล่อยที่เวลาช่วงไปประมาณหนึ่งอาทิตย์วันหนึ่งตอนเช้ามดืดทําจิตตอนที่สองเป็นปกติผมกล็ลุกขึ้นทนํากรรมฐานเขาผมบางทีบางคืนเขนอนชั่วโมงเดียวบางคืนก็ไม่ได้หลับเลยเช้าก็ทํางานต่อไปร่างกายในตอนนั้นมันดีมากร่างกายแข็งแรงกําลังก็ดีไม่เหมือนเวลานี้ เวลานี้วันที่พูดนี่ก็โยเยโยเยเดินก็งงนั่งก็งงนอนก็งงไม่มีความสุขร่างกายไม่มีความสุขแต่ใจพอมีความสุขถ้าถามว่าพูดได้ยังไงมันจะแปลกอะไรผมนั่งไม่ไหวเพราะก็นอนพูดเพราะใช้ไมโครโฟนเนี่ยก็ น, นอนเวลานี้พกนอนไ่ฟังเสียงเนี่ยพกนอนพูด ผมตั้งใจว่าขนาดใดที่ผมอยู่ในระหว่างธรรมะถ้ามันตายเวลานั้นผมพอใจครูก็ไปผมปล่อยเวลาไว้หนึ่งอาทิตย์ตอนเช้า ม, มืดทำจิตสบายขึ้นถามตรงพระพุทธเจ้าถามว่าความรู้สึกของผมนี่ปรายนั้นมันจะตรงตามความเป็นจริงไหมท่านก็บอกว่าจริง งานการทุก อ, อย่างตระมัดระวัวงจะมันยาวเพ่าป่วยคราวนี้ไม่มีโอกาสจะออกมาทำงานต่อไปได้อีกแต่งก็บอกชัดว่าการป่วยคราวนี้มันเป็นไปใจัยตัดงานส่วนหนึ่งภายในแล้วก็จะต้องแยกยกตัวออกจากวัดไปอยู่ที่อื่นาการป่วยคราวนี้เป็นการช่วยให้ทางจิตดีขึ้น แต่คืนอยู่ที่วัดแานกาลังใจจะไม่ดีขึ้นเลยผลการตั้งใจมาก่อนเกิดผมก็ตกใจไอ้ผลการตั้งใจมาก่อนเกิดมันจะไม่มีผลผมก็ถามว่าไอ้ก่อนเกิดผมตั้งใจอะไรไว้ในภาพนั้นท่านก็บอกว่า <c oughs> ก่อนเกิดจะมาจากรม เดิมทีปรารถนาพุทธภูมิมาตลอดเวลาและก็มาชาตินี้จะต้องบำเพ็ญบา ร, รมีให้ใกล้เต็มถ้าใกล้เต็มแล้เมื่อเวลาถ้าก็บอกตรงๆว่าถ้ามีอายุถึงหกสิบปีบารมีพุทธภูมิจะเต็มแล้วก็จะปอยูยชั้นดุสิตแต่ว่าสิ่งที่ตกลงกันมาว่าจะมาลาพุทธภูมิ ลาพุทภูมิลัดตัดทางไปเลยตัดทางไปเลยก็ผมไม่ได้หมายความว่าผมจะเป็นพระอรหันต์หมายความว่าถ้าปราถนาพุทธภูมิก็ช้านานมากอย่าจะลัดไปให้มันใกล้าทางใชเป็นสาวกภูมิดีกว่ายังไงยังไงเราก็ต้องมุ่งพัานาเหมือนกันหมดดังก็บอกว่าถ้าพูดถึงกฎของกรรม กฎของกรรมจากการเป็นนักรบมีการฆ่าเขาบ้างมีการทำลายทรัพย์สินเขาบ้าง่อยเฉพาะอย่างยิ่งกฎถึงการฆ่าเขาหนักที่สุดต้องไม่เหตุให้ต้องนอนอยง่ยาบาลจริงๆสองปีแต่ว่าการรบแต่ละทีก็ต้องประกอบด้วยความเมตตาปานีเหมือนกัน ถ้ายึดพื้นที่เขาได้ยึดคนได้ก็ให้การเลี้ยงดูผู้เสือ่อพนุหนอมถ้าเขามีความทุกข์ก็ช่วยมีความสุขเขาไม่มีกินก็ช่วยมีกินฉะนั้นขณะที่เป็นนอนที่โรงพยาบาลคนเก่าๆที่เรารู้จักจะหาไม่ได้จะมีทั้คนสองคนทุกคนเขาจะไม่มองเราเลย ลงความว่าเขาปล่อยให้ตายดีกว่าเขาจะคิดอย่างนั้นแล้ไม่ก็ไม่ทราบนะให้พูดเอาเองแต่ว่าจะรับความเมตตาปราณีจากคนใหม่คนใหม่การอุปถัมภ์คำชูเป็นอย่างดียิ่งการเงินขณะที่เข้าโรงพยาบาลจะไม่มีติดตัวจะมีอย่างมากไม่เกินยี่สิบบาทไอ้ยี่สิบาทนี่ไม่เป็นเงินประจํากระเป๋า ถ้าจะไม่มีขนาดไหนก็ตามจะเก็บไว้ยี่สิบบาทเป็นประจำถ้ามีมากกว่านั้นถ้ามีมากกว่านั้นก็ทำบุญหมดมีความรู้สึกว่าชีวิตของเราไม่มีความหมายตายแล้วเราไปไม่ได้เมื่อเราไปไม่ได้จะเก็บไว้ทำไมให้มากให้มันเป็นประโยชน์กับคนอื่นก็เลยทำบุญกอ่อสร้างเลี้ยงพระมังหมดแล้วก็บุญที่สุดจึงเลยบอกว่า เราก็จะไม่เป็นไรเมื่อเปถูกเขาทอดทิ้งม า, มากความเบื่อหน่ายก็เกิดคนเก่าทอดทิ้งแต่คนใหม่เขาเลี้ยงอันนี้เป็นกฎข้องกรนของกา ร, รยึดประเทศชาติเขาทําให้คนเก่าเขามีความระมาะแต่ว่าเรายึดได้เมืองไหนเป็นเลยเราเลี้ยงให้มีความสุขฉะนั้นคนเก่าเก่าที่เราเคยสนุนหน่อมมาลงมาเขาจะหลีก เขาจะไม่มองเราไม่มีใครสังเคราะห์แต่คนใหม่จะเข้ามาสงเคราะห์ความจริงบรรดาคนปิโสสมา น, นิ่งเป็นความจริงตามนั้นผมนอนป่วยสองปีคนเก่าๆทายกเห็นหน้าสองคนเห็นหน้าสองคนไปคร้างเดียวไปทำไมไม่ใช่ไปเยี่ยมไปขอทรัพย์สินที่มีอยู่ขอผมเถอะ ผมก็เลยบอกว่าทั้งหมดขอที่มีอยู่ที่วัดเป็นของสงฆ์ผมออกบอกมาจากวัดผมไม่มีอำนาจอะไรเลยผมคิดว่าเป็นของสงฆ์จริงๆไม่ใช่เป็นเล่ห์เหลี่ยมและจากนั้นมาก็ไม่เคยมีใครไปอีกแต่ว่าคนใหม่ที่ไม่เคยรู้จักบรรดาเทพธิดาบริษัทอุนหาฟ้าขั้งมากเขาไปนอนป่วยในนั้นพระที่เขามาป่วยก็ดีครัะว่าก็ดีพลอยได้กินอาหารวันหนึ่งเต็มเต็ ม, ตมโต๊ะโต๊ ะ, ตะใหญ่ๆเหลือแหล่ ข้าวของชัยขอสอเขาขกินบริบวนสมบูรณ์นี่แหละเป็นผลจากการยึดผัสยิดเหตุเขาได้ราบนรงเขาวันดาท่านพุทธบริษัทยาถากรรมตายานมีประโยชน์อย่างนี้ในวันนี้ก็บทเวลาแล้วแต่สัญญาณบาวนรปรากฏก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดาาพาาิพยยิพัฒ น, นลล ะ, ะญญ ม, นมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีดาวนรงท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี